พระพุทธเจ้าสัมมาวิชาอัลลัมเลิศสุดประเสริฐเป็นสรณะถึงโพธิบุญกุศลสรงสมคำสร้างบารมีอีกศีลดีสำเร็จพุทธโปรดเวไนข้าพระเจ้าทั้งหลายนอบน้อมสักการพระรัตนตรยัยอันมีพระพุทธพระธรรมพระสง และแลเหล่าพุทธโพธิัตว์เป็นสอรณนะ